เออบางพวกก็เจริญอะไรสัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพภูตาสัพเพปุกลาสัพเพอัตตภาวะปริยาปนาอเวราหุนโตอัพญญาปชาหุนโตอนิคาหุนโตสุขียตานังปริหารมโตเนี่ยนะก็อนนะสัตว์ทั้งหลายอันนะสัตว์ทั้งหลายปานะทั้งหลายผู้ทั้งหลายบุคคลทั้งหลายผู้ที่นับเนื่องในอัตภาพทั้งหลายอเวราหุนโตจะได้มีเวนเลย อัภยาปาชาโหนตัวจะได้เบียดเบียนเลยอนิคาโหนตอย่าได้มีความทุกข์เลยสุขียตนะนังปริหารตโตบริหารตนให้เป็นสุขเธอเนี่ยนะก็เจริญเมตตาไปนะปุรัติมายาทิสาญาทิตตะวันออกทิตตะวันตกทิศเหนือทิตใต้ทิตเฉียงเฉียงทั้งสี่ทิศทิตเบื้องบนทิตเบื้องล่างทิศเบื้องขวางไม่คับแคบไม่มีเวรไม่มีศัตรูเนี่ยก็เจริญไปอันนี้ก็เป็นเมตตาแล้วก็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 ตรงนี้ท่านเลือกตัวอย่างให้ดูคือเจตุธาตัววัฏฐานกรรมฐานคือในบรรดากรรมฐานเนี่ยท่านจะแสดงทุกอย่างแต่นี่ท่านเอามาเป็นตัวอย่างหนึ่งกรรมฐานหนึ่งกรรมฐานคือธ า, าตุกรรมฐานเจตุธาตัววัฏฐานวัฏฐานแปลว่าการกําหนดการกําหนดธาตุสี่การแยกแย่ธาตุสี่การจําแนกธาตุสี่พิจารณาธาตุสี่จริงๆแล้วในคมภีรกล่าวถึงวิธีการพิจารณาประมาณ13วิธี ประมาณ13วิธีแต่ที่นี้ไม่ใช่คำภีสอนกรรมฐานโดยตรงละเอียดพิสดารแบบวิสุทธิมัตนะผู้ที่เรียบเรียงอัตกถาที่เรากําลังเรียนอยู่นี้กับผู้เรียบเรียงวิสุทธิมัตคืออาจารย์เดียวกันคือพระพุทธโฆษ า, าจารย์เหมือนกันนั้นท่านจะยกข้อความตรงนี้เป็นเพียงตัวอย่างรายละเอียดที่เหลือท่านบอกว่าท่านขยายพิสดารแล้วในวิสุทธิมัคเนี่ยนะนะทั้งสนิทสมาธินิเทศแล้วก็ปัญญานิเทศ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 ธนะาตุใดซึ่งมีอาการแข่นแข็งมี20อย่างมีอยู่ในกายนี้ธาตุนั้นชื่อว่าปฐวีธาตุ20อย่างที่มีอยู่ในกายนี้ที่มีลักษณะแข่นแข็งผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับพังผืดม้ามปอดแล้วนะลำลำไส้ใหญ่ลำไส้เนอลำไส้ใหญ่สายรัดไส้อาหารใหม่อาหารเก่ามันสมองในกระโหลกศรีรษะเนี่ยนะ น้ำดีน้ำเลือดน้ำเส็ดน้ำหนองน้ำมันค้นน้ำมันเลี้ยวน้ำไขข้อน้ำมูดน้ำตาน้ำมูกน้ำปัสสาวะเนี่ยนะลมพัดเออธาตุไฟที่ทำให้ร่างกายอบอุ่นธาตุไฟที่ทำให้ร่างกายป่วยไข้ธาตุไฟที่ทำให้ร่างกายสุดโทมธาตุไฟที่ช่วยย่อยอาหารลมพัดขึ้นเบื้องบนลมพัดลงตามลงในช่องท้องลมในลำไส้ลมพัดทั่วสารพรางกายลมหายใจเข้าออกเนี่ยนะ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 ของเตโชธาตมีอยู่4อย่างเรียกว่าเตโชธาตส่วนธาตุใดที่ค้้จุนค้้จุนทรงไว้พัดไปมาเป็นต้นเนี่ยนะเคลื่อนไหวธาตุนั้นมีอยู่หอย่างธาตุนั้นเรียกว่าวายโอธาตส่วนธาตุใดที่มันถูกต้องธาตุใดไม่ถูกต้องมันเป็นช่องว่างระหว่างธาตุเรียกว่าอากาศธาตเช่นช่องหูช่องปากช่องฟันช่อง คือที่มันเป็นช่องอะนะช่องในท้องท้องมันมีจะช่องช่อช่อ ง, อ ง, อ ง, อง่องไอ้โพรงโพรงเหล่านั้นอะเรียกว่าอากาศธาตุเนี่นยนะมันถไม่ได้ทุกต้องไม่ได้เพราะงั้นเขียนอะไรก็ไม่ได้ส่วนจิตที่เป็นาธาตุรู้ตัวรู้อันนอาศัยาธาตุสีแล้วรู้อาศัยาธาตุสีโดยวัตถุและอารมณ์แล้วรู้ธาตุอันนั้นเรียกว่าวิญญาณาธาตุวิญญาณนี่รวมทั้งจิตเจตสิกด้วยสรุปว่าที่นั่งนั่งยืนเดินนั่งนอนอยู่นี้ก็คือธาตุหประการ ธาตุสี่อากาศาธาตุและวิญญาณธาตุสัตว์หรือบุคคลที่นอกเหนือไปจากาธาตุทั้งหขามีไหมสัตว์หรือบุคคลก็คือกองแห่งสังขารคือาธาตุเหล่านี้ล้วนๆเท่านั้นแหละธาตุเหล่านี้เท่านั้นแหละยืนเดินนั่งนอนที่ตั้งอยู่ดำรงอยู่คือาธาตุหกธาตุดินน้ำไฟลมอากาศและวิญญาณอันนี้คือว่าเอาแต่ตัวใหญ่ๆหลักๆนะถ้ากําหนดใหญ่ๆได้ย่อยๆก็คงไม่ยากใช่ไหมไม่ยาก สรุปว่ามีแต่าธาตุทั้ง6ประการไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลเลยก็พิจารณาว่าเป็นเพียงแต่กองสังขารล้ว น, วนแต่ในหลักการนี้เขาให้พิจารณาเช่นปฐวีาธาตุโดยสมุทฐานสี่ต่อไปอีกนะอาโปาธาตุโดยสมุทฐานสเตโชาธาตุโดยสมุทฐานสวาโยาธาตุโดยสมุทฐานสี่พิจารณาโดยอะไร อ, ะอย่างเช่นคําว่ามหาพูดาธาตุที่เป็นมหาพูดมหาพูดก็คือมหาวิการเช่น อนนันมหาวิการมหาพิรุษนั่นแหละอันเดียวกันก็พิจารณาโดยนัยะต่างๆเมื่อพิจารณาพร้อมทั้งโดยปัจจัยโดยสัมมสนญาณเป็นต้นก็พิจารณาทั้งแยกแยะสังขารพร้อมทั้งองค์ประกอบพิจารณาปัจจัยของสัพพสังขารเหล่านั้นพิจารณาคูทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันพิจารณารูปสัตกะและอรูปสัตตกะเป็นต้นก็พิจารณาจนถึงเวลาได้เวลาบินทบาท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 มีแต่เราเรา เ, ราเรามีแต่ของเรามีแต่อะไรคือไม่เคยแยกแยะอะไรแม้แต่นิดเดียวเพราะฉะนั้นพูดพลาดลุกขึ้นแบบถามว่าเป็นยังไงอ่ะก็แบบปกติที่เราทําอยู่นั่นแหละที่ว่าทั้งหมดเนี่ยนะโอ้โหรตนเก้าวไปเราก้าวไปก็คือเหมือนใครเหมือนกับที่เราเจริญมาหลายหลาย10ปีเนี่ยนะชีวิตที่เราตื่นมา ก, ก่อนจะไปทํางานเนี่ยก็แบบนั้นมาตลอดเลยใช่ไหมนั่นคือพื้นเพ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 ธาตุทั้งหลายซึ่งเกิดขึ้นในแต่ละประการบรรดาประการทั้งหลายมีการยกยนะก็เริ่มแล้วตั้งกับยกเท้าข้างหนึ่งเป็นต้นว่าสมมติว่าจิตนี้เกิดขึ้นขึ้นว่าสมมติถ้าจะยกเท้าเนี่ยเริ่มไล่มนศัศการคือพื้นฐานเขาพิจารณาอย่างอื่นละเอียดอยู่แล้วเนี่ยพอยกเท้าปั๊บเนี่ยไม่หลงผิดเลยว่าความคิดเกิดขึ้ น, นก่อนว่าเราจะเข้าไปวาโยธาพร้อมทั้ง ส, สัสมภาระ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 เมื่อร่างกระดูกนั้นก้าวไปอยู่อย่างนี้ในการยกเท้าแต่ยกเท้าแต่ละข้างขึ้นบรรดาทาสี่เตโชท่าเซึ่งร้อนก็เป็นไปตามวายโยทา่าก็มีพลังยิ่งทาานอกนี้ก็อ่อนตัวคือขณะที่ยกเท้าขึ้นเนี่ยนะท่าที่มีกำลังมากคือทา่าทาไฟกับท่าลมขณะที่ยกเนี่ยแต่ในการนำไปนำมาการนำออกไปเนี่ยนะ วายโยธาตที่พัดไปตามเตโชธาต์ก็มีกำลังเกิดขึ้นธาตุนอกนี้ก็อ่อนกำลังคร่าวาในการยกในการยกย่างย้าย3ามคำเนี่ยนะยกย่างย้ายเนี่ยธาตุมีกำลังก็คือธาตุไฟธาตุลมนะธาตุลมเป็นไปตามธาตุไฟธาตุไฟเป็นไปตามธาตุลมเนี่ยนะก็ทำให้มันเกิดการยกย่างย้ายขณะที่ยนเหยียบยันลงขณะนั้นเนี่ยอาโปธาตที่ซึมซาบไปตาม พทวีธาตุก็มีกำลังยิ่งขึ้นเกิดขึ้นธาตุนอกนี้ก็อ่อนอนะก็คือเป็นความเป็นไปของธาตุสี่ในขณะที่ยกย่างข้างหน้าแล้วก็ย้ายเท้าบ้างแล้วก็หย่อนเหยียบยันเนี่ยนะลักษณะนี้ก็เป็นการเป็นไปของธาตุทั้งสี่ประการที่เกิดจากวายโยธาตุเป็นหลักขณะที่คูกับเหยียดเนี่ยนะคูเหยียด ปัทวีธาต์ได้รับการอุดหนุนจากอาโปธาต์มีกําลังยิ่งเกิดขึ้นธาตุนอกนี้ก็อ่อนกําลังลงธาตุเหล่านั้นย่อมแตกไปในที่นั้นๆนั่นแลพร้อมกับจิตที่ตนเกิดขึ้นในนั้นในขณะนั้นด้วยประการชนี้คือหมายความว่าเมื่อจิตเกิดขึ้นแผววาโยธาต์มีการขยับตัวคือมันเป็นระยะเวลาสั้นๆของแต่ละอย่างแต่ของสั้นๆมามต่ต่ต่อกันมันก็เลยสัมพันธ์กันเป็นของ